ตอนที่4ี่บสไม่ต้องเกรงใจเกินไปซูมานอินตกอยู่ในพวังไปชั่วขณะเกาฉางเหอคนนี้กําลังโปรยสเสน่ห์ให้เธออยู่หรือเปล่านะเมื่อโจอเวย์ชิงเห็นเกาฉางเหอสวมชุดเครื่องแบบท่าทางอดดีของเขาก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่เขายังคงพยายามดิ้นรนเพื่อทวงความเป็นธรรมให้ลูกชายสหายตํารวจผู้หญิงคนนี้ตกเด็กกลางถนนเรื่องแบบนี้จะปล่อยไปง่ายๆไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแม่แค่สั่งสอนจ้วงๆเท่านั้นเองซุนจิลิงอธิบายจากด้านข้าง จ้วงจ้วงพูดความจริงออกมาสิจ้วงจ้วงเอามือกลุ้มแก้มพางเหลือบมองโจวเวยเฉียงผู้เป็นพ่อด้วยความรู้สึกผิดลูกไม่ต้องกลัวพ่อจะหนุนหลังลูกเองครับพ่อเยคนนี้แหละที่ตบผมเห็นไหมล่ะคุณยังมีอะไรจะแก้ตัวอีกโจวเวยเฉียงดึงแขนเกาช้างเหอพางคร่ำครวญแม่ของเขาจับไปเร็วผมมีลูกชายแค่คนเดียวผู้หญิงคนนี้รังแกจ้วงจ้วงเพราะเห็นว่าเขาไม่มีแม่ ซูมานอิมตั้งท่าจะก้าวไปอธิบายแต่ไม่คิดว่าเกาฉางเหอจะชิงพูดแทนเธอเสียก่อนพอได้แล้วเมื่อกี้ผมยืนดูอยู่ไกลๆเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเป็นลูกชายของคุณที่ไปยังลูกกลางของเด็กผู้หญิงคนนั้นแถมยังลงมือตีเด็กคนอื่นก่อนด้วยส่วนสหายซูเธอเป็นคุณย่าใหญ่ของเด็กคนนี้การที่เธอสั่งสอนไปไม่กี่คำถือเป็นเรื่องปกติแต่ลูกชายของคุณกลับด่าทอผู้ใหญ่ก็ฉางเหอถอนหายใจยาว การไม่มีแม่ไม่ใช่ข้ออ้างในการทําชั่วอายุแค่นี้ก็รู้จักดักต้อนชิงทรัพย์แล้วพอโตขึ้นพฤติกรรมแบบนี้ต้องถูกกักขังเชี่ยวนะเมื่อโจงจงได้ยินว่าจะต้องถูกกักขังก็รีบดึงแขนโจไว้เฉียงด้วยความหลนลานพ่อครับผมไม่อยากถูกขังไม่เอาเราไม่ไปหลอกลูกลูกยังเป็นเด็กอยู่ต่อให้ฆ่าคนก็ไม่ต้องติดคุกเมื่อซูมาร์อินได้ยินเช่นนั้นเธอกระทนไม่ไหวอีกต่อไปพุ่งเข้าไปตกหน้าโจไว้เฉียงฉาดใหญ่โจไว้เฉียงถึงกับมึนงงไปในทันทีแก แกกล้าตบฉันเหรอโจ้วเวชิงชีนะ้หน้าซูมานอินแล้วฟ้องเกาฉังเหอตำรวจคุณเห็นหรือยังต่อหน้าต่อตาคุณแท้ๆเธ อ, อยังกล้าทำร้ายร่างกายคนอื่นตบแล้วจะทำไมได้คำพูดเมื่อกี้ของแกต่อให้จับแกไปขังคุกก็ยังสมควรเลยซูมานอินโกรธจัดจริงๆในฐานะพ่อนอกจัดจะไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วยังกล้าปลูกฝังความคิดอาทยากรแบบนี้ให้ลูกอีกแกอยากให้จ้วงจวงมือเปื้อนเลือดตั้งแต่อายุแค่นี้จริงๆเหรอ ซุนจิ๋วหลิงรู้สึกว่าซูมานอิงตกได้ดีมากแม้แต่เกาชังเหอก็ยังแอบเลื่อมใสในความเด็ดเดี่ยวของเธอโจเวยเฉียงความคิดของคุณมันใช้ไม่ได้จริงๆก็ชังเหฮกล่าวกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังหรือว่าคุณอยากให้จ้วงจ้วงอาศัยความได้เปรียบเรื่องอายุไปฆ่าแกงคนอื่นจริงๆผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้ซูมานอิงถลึงตาใส่โจเวยเฉียงแกพูดอะไรออกมาจ้วงจ้วงมองอยู่ตลอดนะถ้าไม่อยากให้แม่ของเด็กมาหาแกตอนกลางคืน ก็หัดทำบุญทำทานผ ส, สมบารมีไว้บ้างเถอะฉันโจวเวยเฉียงตั้งท่าจะเดินเข้าไปหาเรื่องอีกแต่ถูกเกาชังเหอขวางไว้ทำไมคิดจะลงมือทำร้ายคนกลางถนนต่อหน้าตำรวจงั้นเหรอโจวเวยเฉียงชะงักไปในใจรู้สึกกับแค้นใจนะักเมื่อกี้ซูม่านอิงตกเขาทำไมตำรวจคนนี้ถึงไม่จัดการละ่ะเกาชังเหอผลักโจวเวยเฉียงออกไปรีผ่าลูกกลับบ้านไปซะแล้วอย่าปลุกฝังความคิดอาชญากรรมแบบนั้นอีกมันจะทำลายอนาคตของเด็ก โจวิเฉียงยิ่งอยากจะเถียงต่อแต่พระมีตำรวจอยู่ตรงนี้สุดท้ายจึงได้แต่กลั้มกลืนความโกรธไว้แล้วรีพาลูกชายกลับบ้านไปทานยาหัวหน้าสถานีก็ยังใจดีเกินไปนะคะซูม่านอินบ่นพึมพำรรถ้าคุณมาช้ากว่านี้อีกนิดฉันคงได้กระสอบทรายมนุษย์มาซ้อมมือเพิ่มอีกคนแล้วเกาช้างเหอหัวเราอยอย่างร่าเริงม่านอินคุณนี่ช่างล้อเล่นจริงๆฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะคนอย่างโจวิเฉียงควรจะถูกสั่งสอนเสียบ้าไม่อย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดเรื่องแน่เกาช้างเหอยิ้มกริม ยังจะมาว่าผมใจดีอีกคุณนั่นแหละที่เป็นคนใจดีที่สุดทั้งหมดเดินกลับเข้าไปในร้านฉินเสี่ยวเยเว่ที่กําลังนอนกลางวันอยู่ก็ตื่นขึ้ น, นมาพอดีเมื่อได้ยินซุนจิ๋วหลิงเล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็โกรธจนตัวสัน่นคุณแม่เล็กทํำไมตกไปแค่สองทีเองละ่ะคะแบบนั้นมันไม่เจ็บไม่คันหรอกไม่ทําให้พวกนั้นจําฝังใจหรอกค่ะซุนจิ๋วหลิงไม่คาดคิดเลยว่าฉินเสี่ยวเยเว่คนนี้จะเป็นสายบวกเหมือนกัน หัวหน้าสถานีเกาบุคคลที่เป็นอันตรายแบบนี้ทางสถานีตำรวจต้องคอยจับตาดูให้ดีนะคะชินเสี่ยวเยกน้ำต้องสุกมาแก้วหนึ่งแล้วยื่นให้เกาชังเหอวันหลังคุณต้องแวะมาที่ร้านเราบ่อยๆนะคะพวกเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่กันแค่ไม่กี่คนมันอันตรายเกินไปค่ะเกาชางเหอกระตุกยิ้มที่มุมปากพลางคิดในใจว่ามีซูม่านอินอยู่ด้วยคนที่ตกอยู่ในอันตรายน่าจะเป็นพวกที่มาหาเรื่องมากกว่ามัง้งจัดการเรื่องเรียบร้อยแล้วซูม่านอินเปลี่ยนประเด็นทันที เห็นพวกคุณรีบออกไปกันขนาดนั้นคงจะเป็นคดีที่ยุ่งยากมากใช่ไหมคะเก้าฉัางเหอพยักหน้าอืมก็ประมาณนั้นแหละพวกลักเด็กคนหนึ่งยอมโผล่หัวออกมาเสียทีพวกค้ามนุษย์เหรือคะชินเสียวเยาะขยับเข้ามาใกล้ไหนบอกว่ากฎหมายเข้มงวดมากในคะทำไมพวกเขายังแค่แค่ซูมานอิงแกรแมไอสองครั้งเพื่อเตือนฉินเสียวเยเวไม่ให้พูดจนความลับรั่วไหลจับตัวได้หรือยังคะจับได้แล้วครับ แต่เขาก็เป็นแค่ลูกสมุนปลายแถวส่วนตัวหัวหน้ายังไร้ร่องรอยพวกค้ามนุษย์พวกนี้สมควรตายจริงๆฉินเสี่ยวเย่เว่กล่าวด้วยความโกรธแค้นจิหลิงต่อไปเจ้าต้องดูแลต้าฮวาและเสี่ยวสวี่ให้ดีนะได้ยินไหมเมื่อซุนจิวหลิงได้ยินเกาฉางเหอพูดถึงพวกค้ามนุษย์ในใจของนางก็พันรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาทันทีมีหน้าเล่าก่อนหน้านี้แม่เล็กถึงได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอย่าปล่อยให้ต้าฮวาและเสี่ยวสวี่ไปไหนมาไหนตามลำพังที่แท้พวกค้ามนุษย์ก็อยู่ใกล้ตัวขนาดนี้จริงๆ หัวหน้าสถานีเก่าที่บ้านท่านมีใครบ้างหรือคะอยู่ๆชินเสียวเยเวก็เอ่ยปากถามเรื่องครอบครัวของเกาชังเหอขึ้นมาเกาชางเฮรแอบยกนิ้วโป้งให้ฉินเสี่ยวเยเวในใจอย่างแรงส่วนซูมานอินกับถลึงตาใส่ชินเสี่ยวเยเวหนึ่งทีครอบครัวของข้าเรียบง่ายมากท่านพอทันแม่กเกษียณอยู่บ้านที่น้องมีกันสี่คนพี่สาวคนโตทำงานอยู่ที่กรมพาณิชย์น้องชายเป็นทหารอยู่ในกองทัพแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกคนที่กำลังเรียนมัธยมปลาย ตอนนี้ที่บ้านมีเพียงท่านแม่ที่คอยดูแลจัด ก, การค่าเป็นตำรวจงานยุ่งมากเวลาไม่แน่นอนจึงยากที่จะดูแลครอบครัวได้ทั่วถึงเก้าช้งเหิรกล่าวพลางเหลือบมองซูมานอินท่านเป็นคนมีความรับผิดชอบคนในครอบครัวย่อมต้องเข้าใจอยู่แล้วซูมานอินให้ความเห็นตามมารยาทใช่ข้าแม่เล็กของข้าตัวคนเดียวก็สามารถแบกรับภาระทั้งบ้านได้ไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกคำพูดประโยคเดียวของฉินเสี่ยวเหยาทำเอาทั้งสองคนหน้าแดงก่ำขึ้นมาทันที แม้แต่ซุนจิวหลิงที่มักจะซื่อบื้อก็ยังดูออกว่าชินเสี่ยวเยเว่ตั้งใจจะจับคู่กาช้างเหอกับซูม่านอินหันหน้าสถานีกาท่านรู้จักคนเยอะหากมีใครที่เหมาะสมช่วยแนะนำให้เสี่ยวเยเว่สักคนสิคะซูม่านอินเสนอแนะกลับเป็นการแก้เพดเสี่ยวเยเว่เป็นครอบครัวทหารผ่านศึกผู้พลีชีพมาตรฐานย่อมไม่อาจต่ำเกินไปต้องหน้าตาดีแล้วก็ต้องมีกล้ามท้องด้วยแม่เล็กท่านทำอะไรเนี่ยชินเสี่ยวเย่เยกมือปิดหน้าขอแค่สูงสักร้อยปสิเซนติเมตรก็พอแล้วก็มีงานทำที่มั่นคงก็ดีแล้วคะ่ะ เกาชางเหอหัวเราะห้าห้าคำว่าก็พอกับก็ดีแล้วที่นางเสิร์ ม, มนั้นมาตรฐานไม่ได้ต่ำเลยสักนิดตกลงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองก็ช้างเหอมองดูเวลาแล้วเตรียมตัวลุกขึ้นจักไปจริงได้กล่องข้าวนั้นยังอยู่บนรถรอให้ข้ากลับไปล้างก่อนแล้วค่อยเอามาคืนเจ้านะเมื่อเดินมาถึงประตูเกาช้างเหอก็เอ่ยชมต้องขอบคุณเกีียวของเจ้าจริงๆไม่อย่างนั้นข้าคงไม่มีแรงไปจับคนขนาดนี้กล่องข้าวนั้นข้า ย, ยกให้ท่านคะ ซูมานอินยิ้มพลางอธิบายเก็บไว้กับตัวเถอจะได้พกข้าวไปกินได้สะดวกในใจของเกาช้างเหอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาถ้าอย่างนั้นข้าขอขอบคุณสหายมานอินด้วยนะไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกข้ะซูมานอินยังพูดไม่ทันจบฉินเสียวยาวก็ขยับเข้ามาใกล้ใช่แล้วข้าคนครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจกันหรอกห้าห้า